ประมงเม็กซิกันในหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบแห่งหนึ่งในเม็กซิโกชายชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งมาพักผรออยู่ที่หมู่บ้านนี้กำลังเฝ้าดูชาวประมงคนหนึ่งขนปลาที่เขาจับได้ในเช้า ว, วันนั้นลงจากเรือ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 แล้วนี่ดเจสตาสักหน่อยตอนบ่ายตื่นมาเล่นกับลูกๆหลังอาหารเย็นผมก็จะไปร้านเหล้าดื่มเตกิล่าสักหน่อยเล่นกีตา้ากับเพื่อนๆมันเพียงพอสำหรับผมแล้วครับสินยอ นี่แน่สหายฟังผมนะท่านศรเฟเาอร์ด้านธุรกิจคู้ท่านนายอยู่ในทะเลจนถึงบ่ายแก่ๆแล้วก็นายจะจับปลาได้มากขึ้นสักสองเท่าอย่างสบายๆนายขายปลาที่เหลือจากที่กินในครอบครัวรวบรวมเงินสักหกเดือนหรืออาจจะ9ก้าเดือนนายก็จะสามารถซื้อเรือที่ใหญ่กว่าและดีกว่าลำนี้ แล้วก็จ้างลูกเรือด้วยทีนี้นายจะสามารถจับปลาได้มากขึ้นถึงสี่เท่าคิดสิว่านายจะทาเงินได้มากขนาดไหนภายในปีหรือสองปีนายจะมีเงินลงทุนซื้อเรือหาปลาลําที่สองแล้วจ้างลูกเรืออีกทีมถ้านายทําตามแผนธุรกิจนี้นะภายใน6หรือ7ปีนายจะได้เป็นเจ้าของกองเรือประมงขนาดใหญ่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 ชายชาวประมงเม็กซิกันตั้งอกตั้งใจฟังทุกอย่างที่ชาวอเมริกันพูดเมื่อปรเฟสเซอร์พูดจบเขาจึงถามขึ้นว่าซินยอศาสตรเซอร์ครับแล้วผมจะเอาเงินหลายล้านดอลลาร์นั้นไปทำอะไรหรอครับ เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจยิ่งที่โปรเฟสเซอร์ชาวอเมริกันไม่เคยได้คิดแผนธุรกิจไกลไปถึงขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงเริ่มคิดสา ร, ระอย่างรวดเร็วว่าคนคนหนึ่งจะทำอะไรกับเงินหลายล้านดอลลาร์สหายเมื่อมีเงินมากมาย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 ตอนบ่ายก็ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับลูกๆของนายหลังอาหารเย็นก็ออกไปเล่นกีต้าร์กับเพื่อนๆที่ร้านเหล้าดื่มเตกีฬาเสหน่อยใช่แล้วด้วยเงินมากมายขนาดนั้นเพื่อนเอ้ยนายก็เลิกทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตให้สบายไปเลย The สิ้นยอปรเฟเซอร์ครับ ผมกำลังทำทุกอย่างที่ว่านั้นอยู่แล้วนี่รครทำไมพวกเราจึงเชื่อกันนักว่าเราจะต้องทำงานหนักให้ร่ำรวยซะก่อนแล้วจึงจะหาความพอใจได้